พูชังโคสติสังคาโตธรรมะนังวิจัยโยตธาเวียงริยัมปิติปาสาทีโูชังคาจาตาธาบางเร สมมาทุเปขโพชังฆาสาเตเตสะพัสทันสินาม n นินาสมมาทักาตาภาวิตาภาุลิกตา สังวันติอภินญายะเนพานายาจพทธิยาเอเตนะสะจาวเชนะโสทิเตโหตุสาภะา เอกาสัมิงสมยนาโทโมคันลานันจะกาสปังคีลานทโทคีเตทิสวาโพชังเคสาตะเทสยี न न อาภินันติตวาจะอาธาโกรคาโมจิงสุตั้งคะเนเอเตนาสาจวัชนาสุทิตหตตุสาปทา เอกทาตุมังกรชาปีเคลันเยนาพิปิลิโตจุนทันเทงเรนาตันเยวาพันนาเปตวานาซาทางรัง สมโมติตว่าจะพาธาตมฮาวุาสิธานาโสเอเตนัสจาเชนาโสทิเตห์ตุสาพาธา ปะฮีนาเตจ่าพาธาตินันนามเปมาเหสินังมาคาหตากิเลสาวาปัตตาโนปาติธรรมตัง เอเตนาสาจวาเจนาโสติเตโหตุสาปาธาโพชงเจ็ดประการเหล่านี้คือ 1. สติสัมโพธชง 2. ธรรมวิจยสัมโพธชง 3. วิงริยสัมโพธชง 4. ปีติสัมโพธชง 5. ปัตสัตที่สำโพธชงหกสมาธิสำโพธชงและ 7. อุเปขาสัมโพธชงเป็นธรรมที่พระมหาโมนีผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้โดยชอบเมื่อบุคคลทําให้เกิดขึ้นแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรสัสรู้เพื่อนิพพานด้วยการกล่าวสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลานะและท่านพระมหากศัศ ป, ปะเป็นไข้ได้รับความลำบากพระองค์จึงได้ทรงแสดงโพชนชงเจ็ดประการให้ฟังและท่านทั้งสองนั้นต่างชื่นชมพระธรรมเทศนานั้น หายจากโรคในทันทีด้วยการกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิดแม้พระผู้มีพระภาคเองครั้งหนึ่งทรงประชวนหนักจึงตรัสสั่งให้ท่านพระจุนทัเถงระสวดพุทชงนั้นแลถวายโดยเคารพพระพุทธองค์ก็ทรงบันเทิงพระไทยทรงหายจากโรคาภาษนั้นโดยพลัน ด้วยการกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิดและอาพาธทั้งหลายนั้นของท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์ได้หายไปแล้วดุจกิเลส ถ, ถูกอังริยมรกรรมจัดแล้วถึงความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาด้วยการกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิดโพชังโคสติสังคาโตธรร ม, มานังวิจโยตธาเวิญริยมปิติปาสาธิโพชังคาจตธาบังเร สมมาทุเปขพดชังฆาสาเตเตสะพัสทัสินาโมนินาสมมาทกขตาภาวิตาภาุลิกตา สังวาตติอภินญายาเนพนานยาจพุทิยาเอเตนะสะจาวเชนะโสทิเตโหตุสาปทา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 ผินันติตวาจะอาธาโกรคาโมจิงสุตังคะเนเอเตนาสะจาวเชนะโสทิเตหุตุจปาทา เอกทาธรรมงราชาปีเคลานยนาพิปิลิโตจุนทันเถรนาตันเยาวาพันนาเปตวานาสะทางรัง สมมติตว่าจะพาถ้าธรรมหาวุฒาสิทานโสเอเตนัสจวัชเชนาสโสทิเตห์ตุสาพาถา ปะฮีนาเตจ่าพาทาตินันนันเปมาเฮสินังมาคาหตากิเลสาวาปัตตาโนปาติธรรมตัง เอเตนาสาจวาเชนาโสติเตโหตสาปาธาโพธชงเจ็ดประการเหล่านี้คือ 1. สติสัมโพธชง 2. ธรรมวิจยะสัมโพธชง 3. วีงริยะสัมโพธชงสปีติสัมโพธชงห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 จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิดภาวาตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนา ส, าสัทธาโสธีภวันตุเต พาวาตุสัพพังคัลังกราคันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตนพาวาตุสัพพังคัลัง กราคันทุสาปเทวตาสาภาสังฆานุภาเวนาสัทธาสวทิภวันตุเตขอมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงเฝ้ารักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงและด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินบุตธรรมชรญกัจจานิธรรมมังชรญนกัจจาิ สังห์มสารนักัจจามิปุถัมสรนักัจจามิ